อโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปก็โปรดฟังปกินกะคำสอนคำว่าปกินกะแปลว่าเล็ ก, ลกนๆน้อยๆ ทั้งนี้ก็เพราะว่าคำสอนหลักใหญ่ๆเราสอนกันมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ท่านได้ฟังธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงแสดงกับพระโมคคลาและระสาดิบุตรความจริงถ้าใช้ปัญญาสักเล็กน้อย ที่พระสารีบุตรแลพระมุกคลาฟังว่าทำใดเกิดแต่เหตุพระผู้ได้เจ้าทรงตรัสเหตุของทำนั้นและความดับเหตุของทำนั้นสมเด็จพระมหาสมณเจตรัสอย่างนี้ท่านฟังเพียงเท่านี้ท่านได้ก็ได้สมเร็จพระโสดาบันแล้วต่อมาพระมุกคลาฟังท้ายกรรมฐานสี่จบ ท่านเป็นพระอรหันต์พระสา ร, ราาีบุตรฟังเวทนานุปสนามหาพฏิปทานจบท่านก็เป็นพระอรหันต์เป็นอันว่าความรู้ที่บรรดาทนานหลายได้ศึกษามาทุกอย่างทุกข้อผมเคยได้บอกไว้แล้วว่ากรรมาฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน ในกรรมฐานสี่สิบก็ดีในมหาปฏิปทานาสูตรก็ดีถ้าท่านจับบทใดบทหนึ่งโดยเฉพาะกรรมฐานไม่ต้องทั้งสี่สิบเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งก็ตามหรือมหาปฏิปทานาสูตรไม่จําเป็นต้องทั้งหมดข้อใดข้อหนึ่งก็ตาม เพราะในนั้นมีเท่าสมถะและวิปัสนาครอบอยู่แล้วถ้าท่านทำเข้าถึงจริงๆท่านก็เป็นอราหารันตุโองวันนี้เมื่อฟังธรรมของท่านแน่สองเราก็ลงมาทำของท่านดังสองที่ฟังจากพระพุทธเจ้ามาพิจรารณาที่พระมหามมคลาฟังธาตุสี่เขาฟังกันยังไง ในพระบาลีทิ้งกล่าวว่าสุดสูดสังและปติปัญญาการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานี่นแสดงว่า เ, าเวลาเขาฟังกันและเขาฟังแล้วเขาก็าคิดใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจรารณาท่านมีปัญญามากบุคมาจิตวันก็เป็นอรหรันต แล้วก็อีกองหนึ่งคือริษารี่บทสิบห้าวันเป็นอรหันต์แต่สำหรับท่านที่มีปัญญา น, น้อยคือบริวารฟังเทศจบเดียวก็เป็นอรหันต์ใครควตรตอนนี้ให้ดีนะขรับ <c oughs> หรือว่าเราบวดกันบทพหวังคำว่านิพานัสสะสัิกิริยายะเอตังกาสาวังกิเหตตวา ยึงแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งถึงทิพานนี่สำหรับกำลังใจของท่านที่ยังเข้าไม่ถึงนี่ผมเห็นใจแต่ขอได้โปรโดยลละความพยายามการตัดและตัดเป็นจุดๆวันนี้ก็อยาขอพูดถึงฐานธาตุสีที่พระมหาโมกลลานะ ท่านฟังแล้วก็เป็นอรหันต์วิธีฟังนั้นไม่สำคัญฟังก็คือใช้หูฟังแต่ว่าการฟังที่ใช้หูฟังเฉยๆนั้นมันไม่มีประโยชน์ถ้าเราจะฟังใช้แต่สัญญาเป็นความจำจำว่าธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุดมธาตุไฟ แล้วก็ธาตุสีเข้ามาไปชมกันโชกคราวต่อไปก็มีความเสื่อมแล้วก็มีการสลายตัวแล้วก็จำได้เท่านี้อย่างนี้เรียกว่าสัญญาจึงไม่มีการบรรลุมรรคผลแต่ว่าสำหรับท่านอันหลายที่ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระทศพล ให้คิดตามว่าธาตุสี่มันไม่ใช่อยู่ทั้งนอกธาตุสีธาตุาดินไม่ใช่อยู่ที่แผ่นดินธาตุน้ํามไม่จะอยู่ในแม่น้ําลําคลองและในทะเลในมหาสมุทรธาตุไฟไม่ใช่ไฟในเตาหรือไฟที่ตะเกียงธาตุลมไม่ใช่ลมพัดในอากาศนี่หมายถึงว่าร่างกายของเราเนี่มันประกอบไปได้วยธาตุสี่ ของที่มีสภาพแข็งเช่นหนังเนื้อกระดูกอย่างนี้เรียกว่าธาตุดิเนเสร็จน้นไรยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองปัสสาวะน้ำเหงื่อน้ำไครอย่างนี้เรียกว่าธาตุน้ําการพัดไปมาในร่างกายมีลมหายใจเขาออกเป็นตน้นเรียกว่าธาตุลมความอบอุ่นในร่างกายเรียกว่าธาตุไฟ นี่ร่างกายของเราเจะทรงหยุดได้ก็เพราะว่าธาตุสี่มันมีความสามัคคีกันถ้าธาตุทั้งสี่นี่มันยังมีกําลังสม่ำเสมอกันเพียงใดร่างกายของเราก็เป็นร่างกายที่ปกติมีความสมบูรณ์เปร่งปลัง่งไปดูผิวพันวันนะกําลังวางชายก็ดี แต่ว่าธาตุสีนี่ถ้าปราศจากความสามัคคีกันขึ้นมาเมื่อไรธ <c oughs> าตุน้ําลดหย่อนลงไปร่างกายก็สุดโสมที่หมอเวลารักษาเขาต้องให้น้ำเกลือช่วยหรือว่าให้เลือดช่วยเพราะว่าธาตุน้ํามันสุดโสมมันหย่อนลงไปร่างกายจึงหมดกําลังกลายไปร่างกายที่มีโรค <c oughs> ถ้าธาตุดินมันหย่อนไหมความว่าอาหารที่เรากินเป็นคําข้าวหรืออาหารที่เป็นก้อนกินเข้าไปมีประโยชน์ไม่พอริ้งกับร่างกายร่างกายก็ไม่สามารถจะสร้างกําลังให้เกิดความสมบูรณ์แบบได้นี่ธาตุดินที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วในเมื่อหาของไปเสริมไม่ได้มันก็ย่อยหย่อนลงไปอย่างนี้ก็เกิดโรค ธาตุไฟคือความอบอุ่นในร่างกายสลายตัวไปย่อหย่อนลงไปความเย็นมันเกิดขึ้นมามากอย่างนี้ร่างกายก็มีโรคไัยกำลังก็ตกไป <c oughs> ถ้าธาตุลมในร่างกายไม่สะดวกในการพัดไปมาก็ทำให้ร่างกายของเราถ้อยกำลังลงที่เรียกว่าปอดทำงานไม่เต็มที่ ให้ใจไม่สะดวกให้ใจไม่เต็มที่อย่างนี้ร่างกายก็สุดสมเป็นอันว่าร่างกายที่ประกอบไนด้วยธาตุสี่ <c oughs> มันมีสภาพทรงตัวโชกคราวมันไม่มีสภาพทรงตัวถาวรตลอดกาลตลอดสมัย เราเห็นว่าร่างกายเป็ น, นเพียงธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟที่มันประกอบเข้ามาเป็นร่างกายโดยเท่านั้นแล้วก็ธาตุดินนี่มีสภาพเสื่อมเมื่อเสือเส่อมลงเสื่อมลงในที่สุดมันก็สลายตัวห่งถ้าพิจารณาอย่างนี้เป็นเท่าสมถะและวิปัสสนา เตีมว่าธาตุดินมันนันต่างกายมีธาตุสีเข้ามาไปชุมกันนี่เป็นสมะถะภาวนาแล้วก็รู้ว่าการประชุมกันของมันไม่ใช่ประชุมถ้าวรอนมันเป็นการประชุมกันชั่วคราวมันสามัคคีกันชั่วคราวเท่านั้นต่อไปไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่มันก็คลายความสามัคคี ความเข้มแข็งของธาตุลินงค่อยย่อหย่อนลงไปความอิ่มเอิบของธาตุน้ำย่อหย่อนลงไปความอบอุ่นของธาตุไฟย่อนลงไปความไหวไปมาของธาตุลมในการย่อหย่อนลงไปย่อนลงไปเท่าไรแล้วก็แก่มากขึ้นมาเท่านั้น ที่เราเห็นว่าสภาพของร่างกายสุดสมนิสนแสดงว่าธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันมีสภาพไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นในเมื่อเปอร์เซ็นมันลดลงไปเท่าไรความสุดสมของร่างกายก็มีมากเท่านั้นไม่ดีสุดธาตุใดธาตุหนึ่งหมดสภาพถ้าธาตุดินหมดสภาพ อาหารที่เข้าไปปนเปือนในร่างกายไม่มีประโยชน์กับร่างกายการเคลื่อนไหวของอวัยวะภายในที่เรียกว่าตับไซ ส, ส์ปลอดหรือว่าม้ามีหัวใจเป็นต้นที่ทํางานหรือว่าไตเขาตามที่ทํางานเพื่อเป็นการบรํารงทรงไว้เสื้อร่างกายให้ปกติสิ่งเหล่านี้มันเป็นดินมันย่อหย่อนกําลังลงไปทํางานไม่ปกติ ร่างกายก็โสมกลายเป็นคนป่วย <c oughs> ถ้ามันหย่อนกำลังลงมากก็กลายเป็นคนป่วยที่ลุกไม่ขึ้นนึกว่าธาตุน้ำหย่อนลงไปยัางท้องร่วงหนักๆหรือว่าคนที่เป็นโรคอหิวาตธาตุน้ำน้อยถอยลงไปความร้อนมันก็เกิดเพราะอะไรธาตุน้ำมันต้องทนเย็นเพราะเด็กพดีก็ธาตุไฟ มันยังจะมีความอุ่นพอสมควรถ้าธาตุน้ําน้อยลงไปธาตุไฟมันก็มีกําลังสูงควาจริงกําลังมันเท่านั้นแต่ความร้อนมันก็สูงก็มไม่มีกธาตุน้ำเป็นเครื่องต่อต้านจะเห็นว่าคนที่เป็นโรคท้องร่วงมีความร้อนภายในมากนี่เป็นอย่างนี้ เอาว่าธาตุไฟมันน้อยป่าน้อยไปธาตุดินสมบูรณ์ธาตุลมสมบูรณ์ธาตุน้านําสมบูรณ์ธาตุไฟย่อหย่อนลงไปจับร่างกายที่ไหนก็เต็ไมไปด้วยความเย็นชื้น อ, อย่างนี้ก็เป็นโรคลุกไม่ไหวเหมือนกันกำลังกายมันก็สิ้นมันก็เสื่อมถ้าธาตุลมย่อหย่อนลงไปให้ใจไม่สะดวกให้ใจไม่ทั่วทองที่เรียกว่าอย่างนั้นความคล่องขันลมให้ใจไม่มี การศาสตร์แห่งร่างกายมันกร็รุนไปหมดความอ่อนเปลียยของร่างกายก็ปรากฏขึ้นนี่พิจารณาแบบนี้เป็นพิจารณาการพิจารณาแท้สมถะและวิปัสสนาร่วมกันเราก็ต้องนั่งคิดต่อไปว่าร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่นี้มันทรงสภาพตลอดการตลอดสมัยไหม เราดูตัวเราอาจจะไม่เห็นดูคนที่เขาแก่กว่าเราคนแก่ทุกคนเนะ่เขาเป็นเด็กเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวมาก่อนถ้าจะขอภาพถ่ายและภาพเขียนในวัยรุ่นแน้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวจะเห็นว่าท่านบนนี้มีร่างกายเปล่งปล่งสวยสดเพริชามีความอิ่มเอิบสมบูรณ์บริบูรณ์ แต่ว่าเวลาที่ท่านแก่ลงไปดูสภาพของท่านเป็นยังไงมันน่ารักตรงไหนไหมเป็นอันว่ามีจะคล้ายเราพูดง่ายๆว่าผีดิบเดินได้กนแล้วกันไม่มีอะไรเป็นเรื่องน่ารักข้อ น, นี้มีประมาณชั้นใดก็จังดูร่างกายของเราว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อสภาวะมันเป็นอย่างนั้นที่สุดมันเป็นยังไง ในที่สุดทุกคนก็ตายถ้าพิจารณาอย่างนี้เป็นทั้งธาตุสี่แล้วก็มรณาโนสติกรรมฐานเป็นสมถภ า, าวนาแล้วก็ล่วงต่อไปว่าร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสีน่นี้ที่เรารักใคร่ปรารถนาว่าเป็นเราเป็นคงเรา บางดีเห็นคนก็มีผิวพรรณร่างกายอิ่มเอิบมีความรักมีปรารถนามีความใคร่อยากจะได้เป็นคู่ครองแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าธาตุสี่ขอร่างกายของเขาจะมีสภาพเป็นคนแก่ไหมเมื่อเราเห็นว่าคนแก่เคยเป็นคนหนุ่มคนสาวมาก่อน เมื่อแก่มีหนังย่นหนังเหี่ยวร่างกายสูบสิบหูฝาตาฟางผุ้มงงอกควันหักมีสภาพไม่สมบูรณ์แล้วคนที่เรารักล่ะเขาจะทรงสภาพตามนั้นอยู่ตลอดกาลตลอดส ม, มัยไหมมันก็เป็นไปไม่ได้เรื่ว่าคนก่อนมีสภาพฉันใดคนที่หลังก็มีสภาพฉันนั้น นี่จะเห็นได้ว่าร่างกายนี่มันไม่ทสงตัวเมื่อร่างกายไม่ทรงตัวเราก็พิจารณาต่อไปว่าธาตุสีที่ประกอบเป็น อ, นอาการสามสิบสองในร่างกายนี้มีสภาพสะอาดหรือว่าสกปรกอันเป็นดูจาระปัสสวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่มีอยู่ในร่างกาย จเห็นว่ามันสุขปรบกสิ้นดีเป็นที่ระเกงของเราตัวนี้สำคัญมากท่านทั้งหลายมันเป็นการทำลายราคะความรักให้พินาศไปจากจิตเป็นอารมณ์ที่จะเข้าถึงพระอนาคามีถ้าพิจารณาวร่างกายนี้มีสภาพป็นากากสามสิบสองมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตับไตไส้ปลอดเป็นต้น อย่างนี้เป็นการพิจรารณาธาตุสี่ด้วยแล้วก็เป็นการพิจร า, า, ารณาการสามสิบสองภายในตัวถ้าเห็นว่ามันสกปรกจะชื่อว่ามีอสุภกรรมฐานประกอบถ้าพิจรารณาอย่างนี้เป็นการตัดราคะความรักที่ปรากฏในจิต แต่ว่าองค์สมเด็จพระธรรมสามมิติสอนกับพระโมคคัลามุ่งเฉพาะวิปัสนา ญ, ญาณเป็นสำคัญองค์สมเด็จพระพุทวันทรงแนะนำว่าเมื่อร่างกายรประกอบไปด้วยธาตุสี่้าธาตุาสี่นี้นเป็นเราจริงๆหรือมันเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเรามีในธาตุสี่ธาตุสี่มีในเรา นั่งพิจารณาดูว่าธาตุสี่เป็นเราเป็นขงเราจริงหรือ่เราเป็นธาตุสี่ธาตุสี่เป็นเราจริงคําว่าเรามีความปรารถนาไหมที่จะให้มันแก่มีใครเคยนั่งภาวนาพิจรารณาไข้ควนบนบานแสงกล่าว เจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนก็ตามและเทพเจ้าที่ไหนก็ตามบางเจ้าประคุณค่อยร่างกายชิแก่เร็วๆเถอะอย่างนี้มีบ้างไหมเนือว่าภาวนาบ่ว่เจ้าประคุณหน่อยค่อยร่างกายของเรามีโรคภัยไข้เจ็บหนักกมันจะได้ไม่ต้องทำงานกับเขาอย่างนี้มีบ้างไหม หรือว่าบนบานสัง่าวหาผู้พิเศษมาเสกให้ร่างกายเขาแล้วนี่มันตายไวๆความปรารถนาอย่างนี้มีใครบ้างในโลกนอกจากคนที่มีความทุกข์เข้ามาบีบคั้นจริงๆหรือว่าตายหนีหนีตายเพราะโกรธคนรักตายเพราะท่วขในชีวิตเขาของคนอื่น กระท้วงความคิดเห็นเขาบุนคคลอื่นนี่เป็นเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของคนที่มีสัญญาวิปลาส ด, ด้วยคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เนะี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนี่เละบรรดาทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรถ้าเราพิจารณามาอย่างนี้นะสมเด็ดจพระเจ้าศรีสอนทั้งสมถะและภาวนาร่วมกัน เห็นว่าร่างกายเป็นในเพียงธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนี่เป็นสารพนานันธะพัฒนาในเรื่องของธาตุสี่เห็นว่าธาตุสี่เมียการสามสิบสองไม่ใช่เป็นแท่งทิบนี่เป็นการพิจรารณาการสามิบสองในร่างกายที่เรียกกันว่ากายยัคตานุสติเห็นว่าธาตุสี่เต็มได้วยความสุกกรกเบโสมม่มนี่เป็นอสุภกรรมฐาน เห็นว่าธาตุสีในที่สุดมันก็จะต้องตายเป็นมรณานุสติกรมฐานเห็ว่าธาตุสีนี้มันมีอาการไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความเสื่อมไปเป็นปกติถ้าจิตเราเข้าไปเกาะว่ามันเป็นเราเป็นของเราก็เป็นทุกข์ในที่สุดมันก็ต้องสลายตัวที่เลวนาตาไม่เป็นสิ่งที่เราควรจะยึดจะถือมันว่ามันเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้เป็นวิปัสสนาญาณ แล้วก็ว่ากันทีเดียวหลายๆอย่างโองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัจจวสว่าโมคลาแต่เห็นว่าท่าศีทั้งหมดนี้เป็นของเป็นเธอหรือพระโมคลาก็ทรงตอบทูลตอบว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะหรือถ้าว่าท่าศีมีในเธอเธอมีในท่าศีท่านก็ตอบว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะ ในเมื่อธาตุสีไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรือเราไม่มีในธาตุสีธาตุสีไม่มีในเราเราควรจะยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไปหรือก็ต่อเมือโมกันลาคก็กล่าวทูลว่าไม่ใช่พจิจาค่ะยิ่งกล่าวว่าโมกขันลา น, นะถ้าอย่างนั้นเธอจงวางคันภาระในธาตุสีนี้เสีย จงคิดดูว่าท่าสีนี้เป็นได้เพียงรนร่างที่เราอาศัยโชคราวเท่านั้นท่าสีนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราถ้ามันเป็นเราจริงมันก็ต้องไม่แก่เพราะเราไม่อยากให้มันแก่ถ้าท่าศีนี้เป็นเราเป็นของเราจริงมันก็ไม่ต้องไม่ป่วยที่เราไม่เพราะเราไม่อยากให้ม่ป่วย ธาตุสีถ้าเป็นเราเป็นพวกเราจริงแล้วก็ต้องดึงไว้ได้ที่มันจะต้องไม่ตายเพราะเราไม่ต้องการให้มันตายไม่ตายโมคันลานะเธอเห็นแล้วได้อย่างว่าธาตุสีนี่มันไม่ใช่เราพล้วโมคคันลานะกทูนตอบว่าเห็นแล้วพระเจ้าข้าเมื่อเห็นแล้วเธอมีความรู้สึกว่าอย่างไง พระบุคคลลานะั่งกราบทูลองสมเด็จพระจอมไตรว่าสข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าธาตุสีนี้เป็นสภาพเรือเจ้างสาหรับที่ขี่ไปเพื่อข้ามมหาสมุทรเท่านั้นเมื่อบุคคลใดข้ามเรือจ้างรรหรืเรือลําใหญ่เรือลาเล็กก็าตามทีที่เต็มด้วยความสขปรกสมมที่มีความกรรมเก่าข้ามข้าลงไปทุกวัน เมื่อขึ้นมาหาสมุดฝั่งโนนได้แล้วตามความประสงค์ก็ไม่มีบุคคลใดที่จะมีความห่วงใยในเรือลำนั้นชั้นใดเวลานี้จิตใจของข้าพระพุทธเจ้า ก, ก็มีความรู้สึกอย่างนั้นว่าธาตุสีนี้มีสภาพบัรพนาสสำหรับข้าไปข้ามฝั่งคือโอคะได้ใจกิเลส <c oughs> เที่ดึงจิตใจข้าพระพุทธเจ้าให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะโทสารก็จิตใจของคนนั้นถ้านยังมีความหลงอยู่ในความโลกอย่ากจะสะสมทรัพย์สินว่ามันเป็นเราเป็นของเรายังมีความหลงในรูปโฉมนมพันว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเรา ยังผูกพันในความโกรธความพยาบามบะมีความลหลงไหลฝ่ายฝันว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะส่งตัวอย่างนี้ก็มีอุปมาเหมือนกับคนที่กำลังแหวกว่าอยู่ในมหาสมุทรในที่สุดก็จะถูกสัตว์ร้ายในน้ำกัดกินให้สิ้นวัยปล่าไปชั้นใด ก็เหมือนกับจิตใจของบุคคลทั้งหลายที่กําลังคิดอยู่ว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราร่างกายของบุคคลอื่นที่เนื่องกับเราเป่าที่เนื่องกับเราเป็นของเราได้เห็นว่าทรัพย์สินทั้งหลายในโลกคนเป็นเราเป็นของเราเรากับมันจะไม่จากกันถ้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้ากล่า ถ้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าร่างกายที่ประกอบพระพุทธธาตุสี่อันเป็นร่างกายที่จิตใจเกาะ อ, อยู่คนดีร่างกายของคนและสัตว์คนดีนึกว่าทรัพย์สินทั้งหลายในโลกคนดีทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่เราจะยึดถือเป็นสรรนาพินที่พึงได้เ <c oughs> มื่อถึงการถึงสมัยมัก็ต้องสลายตัวไป ถ้ามันไม่สลายก่อนเราก็สลายก่อนถ้าพระพุทธเจา้าเห็นแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราจิตใจขมืพระพุทธเจา้าเบาแล้วพระพุทธเจา้าค่ะเมื่อพระมหาโมคัลาการาบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอย่างนี้สมเด็จพระมหาหมุมนีจึงได้ทรงตรัสว่าโมคลานะ กิดในที่เธงเพือเธอมีความปรารถนาไว้ว่าเธอต้องการแดนอมะตะื อ, อความที่ไม่ตายเธอเข้าถึงแล้วคนที่ยังเกิดแล้วก็ต้องตายอยู่ mm. ก็เพราะว่ายังหลงไหลฝ่ายฝันในขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราถ้ารัปล่อยขันห้าได้เมื่อไรขณะนั้นเชื่อกิจที่จะต้องตายไม่มีแล้ว องค์สมเด็จพระปัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธติการัสว่ามกัลานะเมื่อกิจใดที่แยพึงมีในพระพุทธศา ส, สนากิจนั้นเธอเข้าถึงแล้วแล้วก็เธอก็จบกิจแล้วนี่หมายความว่าองค์สมเด็จพระปัณฑิตแก้วทรงตรัสว่าพระมหามกัลานะเป็นพระอรหันต์แล้วในการนั้น ให้ทรงตัดประอไปว่ากิตอื่นในศาสนานี้ไม่มีต่อไปจบนเพียงเท่านี้เมื่อองค์สมเร็จพระจินเสีทรงตรัสอย่างนั้นพระบกคคลลก็เห็นด้วยเพราะเวลานั้นอารมณ์ใจของท่านเบาการที่จิตเข้าถึงอารดาตผลนบรรดาตพุทธศาสนากระชนและพก็โยคาวจรทางหลายคนนั้นมีอารมณ์เบา ทำว่ารมหนักเกาะนั่นเกาะนี่หว่วนั่นห่วงนี่แม้แต่ชีวิตสิ่งสีย่อมไม่มีสําหรับท่านพระอาหารหันต์และขอบรรดาทแทนพทธบริษัททุกท่านและพิษุทธิ์สมณร น, นทั้งหลายฟังแล้วก็จําจําแล้วก็หมั่นคิดจิตของท่านจะตัดลงไปทีละน้อยละน้อยอยาเพิ่อบรรณามตัวของเราเองว่ามันไม่สามารถจะทําได้ จงคิดไว้เสมอว่าท่านแห่งหลายที่เป็นพระอริยเจ้ า, าได้ท่านก็มีอาการ32เหมือนเราพูดได้เดินได้เหมือนเราแต่ถ้าว่าท่านแห่งหลายเหล่านั้นมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความคิดที่จะตัดที่ะละอยู่ตลอดเวลาในที่สุดอารมณ์จิตก็ชินชินแล้วก็ปรากฏว่าเต็มจิตก็ตัด ก, กิเลสเพื่อสมุเทเธตระหารได้สาหรับเวลานี้ก็หมดเวลาเส็จแล้ว แต่การพูดเท่านี้หวังว่าท่านงหลายๆคงเข้าใจเพราะว่าเราฟังกันมาเป็นปกติต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันจะอยู่ในริยาบทใดคือในริยาบทต้องสี่จะนั่งก็ได้จะยืนก็นได้จะเดินก็นได้จะนอนก็นได้ และใครควรพิจารณาภาวนาไปในพระกรรมฐานตามอัตริยาสัยของท่านจงกว่าจะได้เห็นเวลาอันสมควรทันนี้ว่าสมควรมาไอไรก็เลือกได้แต่อัตริยาสัยการแนะนำแบบนี้ไม่จำกัดเวลาที่ว่าเป็นความดีอะไรสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้